บุคลวักหมวดว่าด้วยบุคคลหนึ่งสังโยชนะสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ละสังโยดได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรมภะยะสังโยด สังโยช์เบื้องต่ำไม่ได้ละสังโยตที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดไม่ได้และละสังโยชตที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรมภะกิจะสังโยชตได้แต่ยังละสังโยชตที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดไม่ได้และละสังโยชตที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรมภักิยะสังโยชตได้ ละสังโยติที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้แต่ยังละสังโยนิที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรมภะคียะสังโยชตได้ละสังโยนิที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้และละสังโยนิที่เป็นปัจจัยให้ได้พบได้บุคคลจำพวกไหนยังละโอรมภะคียะสังโยชตไม่ได้ละสังโยนิที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดไม่ได้ และละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้คือพระสกะทาคามีบุคคลนี้แหละยังละโอรัมภคยะสังโยชน์ไม่ได้ละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดไม่ได้และละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้บุคคลจาพวกไหนละโอรัมภขยะสังโยชน์ได้แต่ยังละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดไม่ได้ และละสังโยช น, น, น์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้คือพระอนาคามีผู้มุ่งหน้าไปสู่อกนิธภพบุคคลนี้แหละละโอรมภะคียสังโยชน์ได้แต่ยังละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดไม่ได้และละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้บุคคลจาพวกไหนละโอรมภักียสังโยชน์ได้ละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้ แต่ยังละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้คือพระอนาคามีผู้ปรินิพานในระหว่างบุคคลนี้แลละโอรมภะกยะสังโยชน์ได้ละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้แต่ยังละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบไม่ได้บุคคลจำพวกไหนละโอรมภะกยยสังโยชน์ได้ละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้ และละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบได้คือพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสบุคคลนี้แหละละโอรัมภักิยสังโยชน์ได้และสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้และละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ได้พบได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกสังโยชนะสูที่หนึ่งจบ 2. ปฏิภาณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว 2. บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง 3. บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว 4. บุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็วภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปฏิภาณสูตรที่สองจบ 3. อุคติตันยูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เข้าใจได้ฉับพลันภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจ่จำพวกไหนบ้างคือ 1. อุคติตันยูผู้เข้าใจได้ฉับพลัน 2. วิปจิตันยูผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ 3. เนยยะผู้ที่พอจะแนะนำได้ 4. ปัทปรมะ ผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกอุกติตันยูสูตรที่สจบ 4. อุทานผลลสูตรว่าด้วย ผลแห่งความขยันหมั่นเพียรภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ดารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม 2. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรมแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร 3. บุคคลผู้ดํารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดํารงชีพด้วยผลแห่งกรรม 4. บุคคลผู้ไม่ดํารงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและไม่ดํารงชีพด้วยผลแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกอุทานผลลสูตรที่4ี่จบ วจจสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีแต่โทษภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีแต่โทษ 2. บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมาก 3. บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย 4. บุคคลผู้ไม่มีโทษ บุคคลผู้มีแต่โทษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมการกระทาทางกายที่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมการกระทาทางวาจาที่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมการกระทาทางใจที่มีโทษบุคคลผู้มีแต่โทษเป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวิจิกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากเป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้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 ประกอบด้วยวัจีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลผู้ไม่มีโทษเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกสาวัชถสูที่หจบ พระโธมัสีลสูตรว่าด้วยศีลสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจ่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ไม่บำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์และไม่บำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ แต่ไม่บำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์และไม่บำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์และบำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์แต่ไม่บำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์บำเพ็ญสมาธิให้บริบูรณ์และบำเพ็ญปัญญาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลาย บุคคลสีชจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกปฐมมศีลสูตรที่6จบ 7. ทุติยศีลสูตรว่าด้วยศีลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนีうう้ม <strip oqu ium> ีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เคารพในศีลไม่ถือศีลเป็นใหญ่ไม่เคารพในสมาธิไม่ถือสมาธิเป็นใหญ่และไม่เคารพในปัญญาไม่ถือปัญญาเป็นใหญ่ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เคารพในศีลถือศีลเป็นใหญ่แต่ไม่เคารพในสมาธิ ไม่เถือสมาธิเป็นใหญ่และไม่เคารพในปัญญาไม่เถือปัญญาเป็นใหญ่3บุคคลบางคนในโลกนี้เคารพในศีลเถือศีลเป็นใหญ่และเคารพในสมาธิเถือสมาธิเป็นใหญ่แต่ไม่เคารพในปัญญาไม่เถือปัญญาเป็นใหญ่4บุคคลบางคนในโลกนี้เคารพในศีลเถือศีลเป็นใหญ่เคารพในสมาธิเถือสมาธิเป็นใหญ่ และเคารพในปัญญาถธอปัญญาเป็นใหญ่ภิกษุทั้งหลายบุคคลสีชจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกทุติยสีลสูตรที่7จบ็บนิกกาทสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีกายและจิตออกภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีกายออกแต่มีจิตยังไม่ออก 2. บุคคลผู้มีกายยังไม่ออกแต่มีจิตออก 3. าบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกและมีจิตยังไม่ออก 4. บุคคลผู้มีกายออกและมีจิตออกบุคคลผู้มีกายออกแต่มีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบเธอตรึกถึงการมวิตกความตรึกในทางการบ้างพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทบ้างวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนบ้างบุคคลผู้มีกายออก แต่มีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกแต่มีจิตออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อาศัยเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบเลยแต่เธอตรึกถึงเนคข ม, มะวิตกความตรึกปล่อยจากการบ้างอภยบาดวิตกความตรึกปล อ, จากกาอยาาาลอจากพยาบาทบ้างอาวิหิงสาวิตกความตรึกปล่อจากการเบยดเบียนบ้าง บุคคลผู้มีกายยังไม่ออกแต่มีจิตออกเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกและมีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อาศัยเสนาสนะเงียบสงดคือป่าโปรงและป่าทึบและเธอตรึกถึงการมวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างบุคคลผู้มีกายยังไม่ออกและมีจิตยังไม่ออกเป็นอย่างนี้แหล บุคคลผู้มีกายออกและมีจิตออกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสยนาสนะเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบและเธอตรึกถึงเนคขมะวิตกบ้างอภยาบาดวิตกบ้างอาวิหิงสาวิตกบ้างบุคคลผู้มีกายออกและมีจิตออกเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลก เนื้อการทะสูตรที่8จบเก้าธรรมกัติกะสูตรว่าด้วยธรรมกถึกภิกษุทั้งหลายธรรมกถึกสีจำพวกนี้ธรรมกถึกสีจำพวกไหนบ้างคือ 1>, 1. ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ทั้งหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกจำพวกนี้นับว่าเป็นรธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ 2. ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยแต่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกจำพวกนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ 3. รรธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากแต่ไม่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกจำพวกนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ 4. ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยนี้ กล่าวทำมากและมีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ธรรมกถึกจําพวกนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสําหรับหมู่ผู้ฟังประเภทนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมกถึกสี่จำพวกนี้แลธรรมกติกะสูที่เก้าจบ ว่าทีสูตรว่าด้วยนักพูดภิกษุทั้งหลายนักพูดสี่จำพวกนี้นักพูดสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. นักพูดที่จนด้านอัดแต่ไม่จนด้านพยัญชนะ 2. นักพูดที่จนด้านพยัญชนะแต่ไม่จนด้านอัด 3. นักพูดที่จนทั้งด้านอัดและด้านพยัญชนะ 4. นักพูดที่มีจนทั้งด้านอัดและด้านพยัญชนะนักผูดสี่จำพวกนี้แหลภิสษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิสษุนักพูดผู้ประกอบด้วยปฏิสัมพิทาสีประการจะพึงจนทั้งด้านอัดและด้านพยัญชนะว่าทีสูตรที่ส0บจบปุคลวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งสังโยชนะสูตร 2. ปฏิภาณสูตร 3. อุกติตันยุสูตร 4. อุทานผ ล, ลสูตร 5. สาวัชสูตร 6. ปฐมศีละสูตร 7. ทุติยศีละสูตร 8. นิกกถสูตร 9. ธรรมกติกะสูตร 10. วาทีสูตร <ST>. ภาวักหมวดว่าด้วยแสงสว่างหนึ่งอาพาสูดว่าด้วยแสงสว่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแสงสว่างสี่ประการนี้แสงสว่างสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งแสงสว่างแห่งดวงจันทร์สแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์สามแสงสว่างแห่งไฟ 4. แสงสว่างแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายแสงสว่างสีประการนี้แหลบรรดาแสงสว่างสีประการนี้แสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศอาาสู ท, ที่หนึ่งจบสองปภาสูรว่าด้วยรัสมีภิกษุทั้งหลายรัสมีสีประการนี้รัสมีสีประการอะไรบ้างคือหนึ่ง รัศมีแห่งดวงจันทร์ 2. รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ 3. รัศมีแห่งไฟ 4. รัศมีแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายรัศมีสี่ประการนี้แหลบรรดารัศมีสี่ประการนี้รัศมีแห่งปัญญาเป็นเลิศประพาสูตรที่สองจบ 3. อาโลกสูตรว่าด้วยความสว่าง ภิกษุทั้งหลายความสว่างสี่ประการนี้ความสว่างสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความสว่างแห่งดวงจันทร์ 2. ความสว่างแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความสว่างแห่งไฟ 4. ความสว่างแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความสว่างสี่ประการนี้แหลบรรดาความสว่างสี่ประการนี้ความสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศ อโลกัสูที่3จบ 4. โอภา ส, สสูตรว่าด้วยความสว่างสวยัยภิกษุทั้งหลายความสว่างสวัยสี่ประการนี้ความสว่างสวัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความสว่างสวัยแห่งดวงจันทร์ 2. ความสว่างสวัยแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความสว่างสวัยแห่งไฟ 4. ความสว่างสวายแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความสว่างสวายสีประการนี้แหลบรรดาความสว่างสวายสีประการนี้ความสว่างสวายแห่งปัญญาเป็นเลิศโอภาสสูตรที่สจบหประโชตสูตรว่าด้วยความรุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายความรุ่งเรืองสีประการนี้ ความรุ่งเรืองสีประการอะไรบ้างคือ 1. ความรุ่งเรืองแห่งดวงจันทร์ 2. ความรุ่งเรืองแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความรุ่งเรืองแห่งไฟ 4. ความรุ่งเรืองแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความรุ่งเรืองสีประการนี้แหลบรรดาความรุ่งเรืองสีประการนี้ความรุ่งเรืองแห่งปัญญาเป็นเลิศปาโชตสูตรที่ 5. จบ สมมติการละสูตรว่าด้วยการสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้การสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการ 3. ความสงบใจตามการ 4. ความเห็นแจ้งตามการภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้แหล ปฐมมกาลสูตรที่ 6. จบเจ็ดทุติยก า, าการสูตรว่าด้วยการสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้ที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับการสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการ สามความสงบใจตามการสี่ความเห็นแจ้งตามการการสี่ประการ น, นี้แหลที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วทาให้หนองเต็ม น้องเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำให้มหาสมุทรเต็มแม้ฉันใดการสี่ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับทุติยกาลสูที่เจ็ดจบ ทุจรตสูตรว่าด้วยทุจริตภิกษุทั้งหลายวาจีทุจริต4ี่ประการนี้วจีทุจริตสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. มุสาวาตพูดเท็จ 2. อิสุนาวาจาพูดส่อเสียด 3. าภรุสวาจาพูดคํำยาบ 4. สัมผัปลาปะพูดเพ้อเจอ้อภิกษุทั้งหลายวาจีทุจริต4ี่ประการนี้แล สุจริตรสูตรที่8จบ 9. สุจริตรสูตรว่าด้วยสุจริตรภิกษุทั้งหลายวาจีสุจริตรสีประการนี้วจีสุจริต4ีประการอะไรบ้างคือ 1. สัจวาจาพูดจริง 2. อภิสุนาวาจาพูดไม่ส่อเสียด 3. สัญหวาจาพูดอ่อนหวาน 4. มันตะภาสาพูดด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายว่าจีสุจริตสี่ประการนี้แหละสุจริตสูตรที่เกจบ10สารสูตรว่าด้วยสารธรรมภิกษุทั้งหลาย สารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารสี่ประการนี้สารธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีละสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือศีล 2. สมาธิสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือสมาธิ 3. ปัญญา ส, สารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือปัญญา 4. วิมุติสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือวิมุติ ภิกษุทั้งหลายสารธรรมสี่ประการนี้แลสารสูตรที่10จบอาภาวกที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อาพาสูตร 2. ปรปพาสูตร 3. อาโลกสูตร 4. โอพาสสูตร 5. ปรโชตสูตร 6. กปถมกาละสูต ร, ร, ร, ตร 7. ทุติยกาลสูตรแปดทุจริตสูตรเก้าสุจริตสูตรสิบสารสูตรตติยปัญ น, นาจบสี่จตุทะปัญ น, นาศ หนอินทรียวั์หมวดว่าด้วยอินรียนอินทรียสูตรว่าด้วยอินรีภิกษุทั้งหลายอินรีสีประการนี้อินรีสีประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีอินรีคือศรัทธา 2. วิริอินรีอินรีคือวิริยะ 3. สมาทินรี อินทรีย์คือสมาธิสีปัญญอินทรีย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายอินทรีย์สี่ประการนี้แหลอินทริยสูตรที่หนึ่งจบ2สัทธาภละสูตรว่าด้วยสัทธาภละภิกษุทั้งหลายภละกำลังสี่ประการนี้ภละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. สัทธาภละกำลังคือสัทธา 2. วิริยระภละกำลังคือวิริยะสมสมาธิภละกำลังคือสมาธิ 4. ปัญญาภละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายภละสี่ประการนี้แหลศสัทธาภละสูตรที่สองจบ 3. ปัญญาภละสูตรว่าด้วยปัญญาภละ ภิกษุทั้งหลายภะละกาลังสี่ประการนี้ภะละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปัญญาภะละกําลังคือปัญญา 2. วิริยระภะละกําลังคือวิริยะ 3. อนวัชชะภละกาลังคือกรรมที่ไม่มีโทษสี่สังขะภะละกาลังคือการสงเคราะห์ภิกษุทั้งหลายภะละสี่ประการนี้แหล ปัญญาภะสูตรที่3จบ 4. สติภะสูตรว่าด้วยสติภะภิกษุทั้งหลายภะสีประการนี้ภะสีประการอะไรบ้างคือ 1. สติภะกำลังคือสติ 2. สมาธิภะกำลังคือสมาธิ 3. อนวัชชะะกำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ สสังคหพะพละกำลังคือการสงเคราะห์ภิกษุทั้งหลายพะละสีประการนี้แลสติพะละสูตรที่สจบ 5. ปฏิสังขานพละสูตรว่าโดยปฏิสังขานพละภิกษุทั้งหลายภละสีประการนี้พะละสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิสังขานพละ กำลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาภละกำลังคือการเจริญ 4. อนัวัชชะภละกำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ 4. ส, สังขหภพละกำลังคือการสงเคราะห์ภิกษุทั้งหลายภะละสประการ น, นี้แลปฏิสังขานภะละสูตรที่5จบ หกกับประสูตรว่าด้วยกับภิกษุทั้งหลายอาสงไขยกับสีประการนี้อสงไขยกับสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งในเวลาที่สังวัตกับดำเนินไปไม่มีใครกำหนดนับได้ว่าจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้พันปีหรือจำนวนเท่านี้แสนปีสอง ในเวลาที่สังวัตถายีกับดำเนินไปไม่มีใครกำหนดนับได้ว่าจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปีจำนวนเท่านี้พันปีหรือจำนวนเท่านี้แสนปี 3. ในเวลาที่วิวัติกับดำเนินไปไม่มีใครกำหนดนับได้ว่าจำนวนเท่านี้หลายปีจำนวนเท่านี้ร้อยปี จำนวนเท่านี้พันปีหรือจำนวนเท่านี้แสนปี 4. ในเวลาที่วิวัตตาทายิกับดําเนินไปไม่มีใครกําหนดนับได้ว่าจํานวนเท่านี้หลายปีจํานวนเท่านี้ร้อยปีจํานวนเท่านี้พันปีหรือจํานวนเท่านี้แสนปีภิกษุทั้งหลายอาสงไขยกับสประการนี้แลกัปัสูตที่6จบ โรคคสูตรว่าด้วยโรคภิกษุทั้งหลายโรคสองอย่างนี้โรคสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. โรคทางกาย 2. โรคทางใจสัตว์ผู้อ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลาหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสปีบ้างสปีบ้างหปีบ้างสิปีบ้าง20สปีบ้าง 30ปีบ้าง4ี่สิปีบ้างห0ิปีบ้างแม้ยิ่งกว่าร้อยปีบ้างยังพอมีอยู่แต่สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียวหาได้โดยยากยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้วภิกษุทั้งหลายโรคของบรรพชิตสีอย่างนี้โรคจีอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง ภิกษุในธรรมวิไนนี้เป็นคนมากๆคับแค้นไม่สันโดษด้วยจีวรบินตาบาดเสนาสนะและคิลานปัจใจเพศบ ร, ร, ริขารตามแต่จะได้ 2. เธอเมื่อมากๆคับแค้นไม่สันโดษ ด, ด้วยจีวรบินตาบาดเสนาสนะและคิลานปัจใจเพศบ ร, ร, ริขารตามแต่จะได้ย่อมตั้งความปรารถนาชั่วเพื่อไม่ให้ผู้อื่นดูหมิน เพื่อให้ได้ลาบสักระและชื่อเสียง 3. เธอวิ่งเต้นขวนขควายพยายามเพื่อไม่ให้ผู้อื่นดูหมิน่นเพื่อให้ได้ลาบสักระและชื่อเสียง 4. เธอเข้าไปหาตระกูลทั้งหลายนั่งกล่าวธรรมกลั่นอุจจาระและปัสสาวะเพื่อให้เขานับถือภิกษุทั้งหลายโรคของบรัณชิตสี่อย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่เป็นคนมากๆไม่เป็นคนมีจิตคับแค้นไม่เป็นคนไม่สันโดษด้วยจีวรนบินบาบเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริการตามแต่จะได้เราจะไม่ตั้งความปรารถนาชั่วเพื่อให้คนอื่นรู้จักเพื่อให้ได้ลาบสักระและชื่อเสียงเราจะไม่วิ่งเต้นไม่ข้นควายไม่พยายามเพื่อให้คนอื่นรู้จัก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 ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลโรคสูตรที่เจ็จบ 8. ปริหานิสูตรว่าด้วยทำที่เป็นเหตุเสื่อมณนะที่นั่นแลท่านพระสารีบุตร เรีภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคาแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุนี้ก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสีประการอยู่ในตนพึงแน่ใจได้เลยว่าจะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสีประการอยู่ในตนนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความเสื่อมทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีราคานะนาสอความเป็นผู้มีโทสะนาะ 3. ความเป็นผู้มีโมหนะนา 4. ไม่มีปัญญาจากสุในเรื่องที่ควรและไม่ควรอันลึกซึ้งผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม พิจารณาเห็นธรรมสี่ประการนี้อยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าจะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสี่ประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความเสื่อมผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสี่ประการอยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าจะไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะการมีทำสีประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีความเสื่อมทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีราคะเบาบาง 2. ความเป็นผู้มีโทสะเบาบาง 3. ความเป็นผู้มีโมหะเบาบาง 4. มีปัญญาจากสุในเรื่องที่ควรและไม่ควรอันลึกซึง้งผู้มีอายุทั้งหลาย ผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามพิจารณาเห็นธรรมสีประการนี้อยู่ในตนพึงแน่ใจได้ว่าไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะการมีธรรมสีประการอยู่ในตนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีความเสื่อมปริหารนิสูที่8จบ